อาเนนเงียบครับเงียบครับพระอาจารย์พูดเดี๋ยวเรามาตกลงกติกากันก่อนถ้าพระอาจารย์พ kind of ูดคำว่าสะอาดให้ปรบเขาหนึ <UB> ่งครั <za> ้งสะอาดสะอาด ถ้าพูดคำว่าสว่างให้ผนมมือสว่างถ้าพูดคำว่าสงบให้เอามือวางซ้อนบนตักสงบถ้าพูดคำว่าสง่างามให้ยืดตัวดึงลมให้ใจยาวๆแล้วก็ยิ้มทำใจยิ้มๆไม่มีเสียงออกมาสะอาดสะอาดสะอาดสว่าง สงบสง่างามสุดยอดมากมีคนบอกว่าลูกเนนกลุ่มนี้กับแม่ชีน้อยกลุ่มนี้สุดยอดมากสามารถควบคุมตัวเองได้มีเรียกว่ามีเวอร์หรือมีพลังจิตสูงในการที่จะไม่คุยกันเลยขณะที่คุณพระแสดงธรรมพระอาจารย์ ยังไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มาเห็นแล้วว่าพวกเราเงียบได้จริงๆสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลุกเนนั่งกันเรียบร้อยมากสาธุดังๆให้ลุกเนดโดยจ้า แม่ชีน้อยก็นั่งกันได้สุดยอดเลยจ้าสาธุดังๆให้แม่ชีน้อยด้วยจ้าท่านผู้ปกครองก็เรียบร้อยมากสาธุยท่านผู้ปกครองด้วยจ้าดกลงกลุ่มที่อยู่ที่นี่เรียบร้อยกันทุกคนเลยสาธุยทุกคนด้วยจ้าพระอาจารย์ก็เรียบร้อยมากสาธุยพระอาจารย์ด้วยจ้า สะอาดสว่างสงบสง่างามาฟังให้ดีนะวันนี้พระอาจารย์เตรียมสมุดบันทึกซึ่งเป็นคำคมภาษาอังกฤษภาษาไทยเอามาฝากทุกทุกรูปที่ควบคุมตัวเองได้นะจะแจกทุกคนเลยแจกทุกรูปเลยแล้วถ้าเรียบร้อยน่ารักมากมีพัดมาแจก ลูกเนนแล้วก็แม่ชีน้อยด้วยจ้ะก็เตรียมมาสำหรับทุกๆคนเพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มนี้ควบคุมตัวเองได้ยิ่งพอบวชเนนปับ๊บเนี่ยสมัยเป็นเด็กนักเรียนอาจจะมีสซนบ้างแต่พอบวชเนนปั๊บสติมาพร้อมเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์นิดหนึง่ง ว่าลูกเนรและแม่ชีน้อยมีสติกันจริงๆลองนั่งสิบสี่จังหวะขอเวลาแค่สองนาทีโดยไม่มีเสียงเลยเริ่มยอดเยี่ยมจะเอาใหม่ลองนับวางบนตักก่อนจะสะอาดสว่างสงบสง่างามอ่ะเตรียมตัวเอามือวางไว้บนตัก แล้วเริ่มส4บจังหวะหนึ่งนับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าห4เจ็ดปดเกสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ ยอดเยี่ยมพวกเราเริ่มมีสติขึ้นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตอนนี้ไม่ต้องนับ ลองนั่งเฉยๆยืดตัวขึ้นพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์ประสงค์สองปีมานี้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดปา่าโกเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กตอนนี้อากาศสูงนงสาได้เมื่อก่อนอยู่ที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาตอนนี้หิมะตกขาวไปทั้งเมืองเขาเพิ่งส่งภาพมาให้ มีเด็กนักเรียนไทยที่ประสบความสําเร็จพอไปอยู่ต่างประเทศชาวต่างประเทศนับถือชื่นชมว่าเด็กไทยของเราเก่งมากพอไปถามดูปรากฏว่าเด็กเขามีโอกาสได้ฝึกสมาธิแบบพวกเรามาก่อนพอไปถึงปั๊บคุณครูสอนอะไรเนี่ยจิตเขาจะนิ่งตั้งมั่นพอจิตนิ่งตั้งมั่นรางวัลของทั้งโรงเรียนเนี่ยกี่รางวัล เด็กไทยขวาดมาเรียบหมดเลยจ่าสาธุดังๆให้เด็กไทยของเราด้วยาพอพระอาจารย์มาเจอพวกเราพระอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราไปต่างประเทศจะไปขวาดรางวัลทั้งหมดมาได้แน่นอนเพราะว่าพวกเราเป็นเด็กที่มีคุณภาพตอนนี้บอกให้นั่งนิ่งๆเราก็นั่งกันได้ไม่มีใครคุยกันเลย แล้วก็ไม่มีใครนั่งตัวงอด้วยตอนนี้ทุกคนยืดตัวตรงกันทางนั้นเลยสุดยอดมากกติกาที่พระอาจารย์เคยมาที่นี่ทุกครั้งเวลามาพระอาจารย์จะเล่านิทานเวลาเล่านิทานกติกาการเล่านิทานก็คือถ้าพระอาจารย์ยืนเล่าพวกเราก็นั่งฟังแต่ถ้าพระอาจารย์นั่งเมื่อไหร่พวกเราต้อง ยืนแล้วไม่มีเสียงด้วยตรงนี้สำคัญมากไม่มีเสียงด้วยไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองดูพอพระอาจารย์นั่งปั๊บพวกเราก็แต่พอพระอาจารย์ยืนปั๊บพวกเราก็โอ้โหมีสติยอดเยี่ยมมากกละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนเกือบจะจำไม่ได้แต่พระอาจารย์จำได้มี ปู่กับหลานนั่งคุยกันคือตอนแรกปู่ก็นั่งเฉยๆหลานเดินมาจากไหนไม่รู้พอเห็นปู่ปับ๊บหลานก็นั่งพับทันทีพอหลานนั่งปู่เห็นปู่ชื่นใจปู่ก็เลยยืนขึ้นแล้วก็ถามหลานว่าว่าไงนะมีอะไรเหรอหลานก็บอกว่า อยากจะมาคุยกับปู่อ่ะปู่ช่วยเล่านิทานอะไรก็ได้ปู่ก็เลยบอกว่าได้เลยอย่างนั้นปู่จะเล่าให้ฟังอาฮะหลานรู้ไหมว่าในใจของเราเนี่ยในใจของคนทุกคนรวมทั้งใจลูกเนร น, น้อยและแม่ชีน้อยด้วยในใจเนี่ยมันจะมีสุนัขอยู่สองตัวแล้วมันจะสู้กันอยู่ตลอดเวลาดูสุนัข ว่าแล้วปู่ก็ลุกขึ้นยืนแล้วจับสุนัขให้ดูในใจมันมีสุนัขอยู่สองตัวตัวหนึ่งเนี่ยขีเยข้เกียจขี้เกียจดือด้อๆเกเลเกเลงี่เง่าตื่นก็ตื่นสายแม่ลากให้ตื่นแล้วเรียกให้ตื่นปั๊บอุตส่าห์ปลุกให้ลุกจับยืนพอแม่ออกไปมันล้มแผลนอนต่ออีกนะ เพราะฉะนั้นสุนัขตัวหนึ่งเป็นสุนัขที่เกเรดือ้อนิสัยไม่ดีแย่มากๆแต่สุนัขอีกตัวเป็นตัวที่ฉลาดเรียบร้อยอดทนมีเมตตาใจเย็นด้วยตกลงเป็นตัวดีกับตัวไม่ดีมันสู้กันอยู่ตลอดเวลาแม่ปลุกตอนเช้าสุนัขสองตัวมันก็จะสู้กันใหนญใ่ละตัวหนึ่งบอกว่าลุกเถอะ แม่มาปลูกแล้วอีกตัวงบอก็ต่ออีกนิดเถอะแม่ไม่ว่าอะไรหรอกมันก็จะสู้กันหลานก็เลยถามปู่ปู่ปู่แล้วตัวไหนมันจะชนะตัวที่ชนะคือตัวที่เราให้อาหารมันสาธุดังๆให้ลูกเนรด้วยจ้าสาธุดังๆให้แม่ชีน้อยด้วยจ้า สาธุดังๆให้ทุกๆรูปเลยจ้าตกลงสุนัขสองตัวที่อยู่ในใจเราเนี่ยตัวที่จะชนะก็คือตัวที่เราให้อาหารมันพอเราให้อาหารตัวดีตัวดีก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นตัวไม่ดีเราไม่ให้อาหารมันก็ผอมลงผอมลงผอมลงหมดแรงไปเพราะฉะนั้น การที่เรามาบวชกันเนี่ยเรามาให้อาหารตัวดีหรือตัวไม่ดีตอนนี้ตัวดีเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วเพราะว่าลูกเนเริ่มคุมตัวเองได้แม่ชีน้อยเริ่มคุมตัวเองได้แล้วตอนนี้แม้แต่นั่งเราก็เริ่มนั่งเรียบร้อยขึ้นมาแล้วนั่งตัวตั้งตรงด้วยแล้วไม่มีการคุยกันไม่มยุกยิกอีกต่างหากสุดยอดมากเลยสาธุดังๆให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือ ปู่กับหลานคู่นี้น่ารักว่าแล้วปู่กับหลานคู่นี้ก็เดินเข้าโรงไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างในฉากใหม่ปู่กับหลานอีกคู่หนึ่งออกมาตอนนี้งี่เง่าทั้งคู่นะพอออกมาถึงปับ๊บปู่เดินพลึบออกมาหลานก็ออกมามาถึงปับ๊บก็มาคุยกับปู่ปู่ปู่ปเอ๊ ใต้ดินเนี่ยมันมีอะไรวันนี้เรามาทบทวนกันไงว่าพระอาจารย์เคยเล่าอะไรไปบ้างหลานก็บอกว่าก็ใต้ดินปู่ ป, ปูใต้ดินมีอะไรมันก็มีน้ำไงหลานเอ้ยแล้วใต้น้ำล่ะปู่มันก็มีดินไงแล้วใต้ดินลงไปอีกอ่ะมันมีเวทีมวยหลานงงอ่ะ โ อ, อแล้วเวทีมวยไปอยู่ข้างล่างแล้วใครจะชกกันละ่ะแกกับฉันนี่แหละนะบางคนถามอะไรเลื่อยเปื่อยไม่ได้รู้เรื่องนะเสร็จปั๊บหลานเกาหัวเอาใหม่ปูปูทําไมรถมันวิ่งได้อะปูอ๋อก็รถมันมีล้อไงหลานเอ้ยแล้วคนเราไม่มีล้อทําไมยังวิ่งได้ละ่ะปูอ๋อ ก็คนเรามีขาไงปู่แล้วโต๊ะมันมีขาทำไมมันวิ่งไม่ได้ล่ะปู่ปู่บอกว่าโตะมันจะวิ่งได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญคือตอนนี้แกวิ่งไปไกลๆเลยนะเดี๋ยวมีปัญหาแสดงว่าปู่คนนี้สุนัขตัวดีหรือตัวไม่ดีอยู่ข้างในใจอ่า เวลาโดนแย่นิดหนึ่งโกรธขึ้นมาสะอาดสะอาดสว่างสงบเอาใหม่เวลาสว่างจะไม่มีเสียงนะเอามือมาประกบเฉยๆลองลองค่อยๆสว่างยอดเยี่ยมมากสะอาดสว่างสงบสง่างามพวกเราน่ารักนะ เขาบอกว่าพระอาจารย์ช่วยมาอบรมลูกเนนน้อยกับแม่ชีน้อยกลุ่มนี้ด้วยพระอาจารย์ถามว่าที่ไหนก็าบอกโรงเรียนลุงอรุณบอกโอ้โห oh, oh, ยอดเลยเพราะเด็กๆที่นี่เก่งกันทุกคนน่ารักทุกคนแถมควบคุมตัวเองได้ด้วยไปที่อื่นบางทีเหนื่อยเนนบางที่เนี่ยจะยุกยิกยุกยิกบวชเป็นสัมมเนนแต่กลายเป็นสัมมาลิงนะอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยอะ อยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยทั้งๆที่ไม่ได้เกิดปีวอกแต่เขาคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่ากลุ่มนี้คุมตัวเองได้ทั้งหมดเลยสิ่งที่พระอาจารย์เตรียมมาเดี๋ยวจะแจกพวกเราแต่ว่าขอคุยกันนิดนึงเผื่อให้พวกเราได้รับประโยชน์กันอ่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ดูตรง น, นี้หน่อยนึงเฮ้โอ้โหเอาอะไรมาเยอะแยะหมดเลยนี่ตรงนี้รู้สึกคราวที่แล้วก็มาแจกครั้งหนึ่ง อันนี้คือรูปนกคู่บัณฑิตย่อมฝึกตน The wise m a n keep practicing practicing themselves นะบัณฑิตต้องฝึกตนต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาทีนี้ในนี้มันมีรูปนกคูก่นกคู่เป็นนกชนิดเดียวที่สวมหมวกบัณฑิต ทำไมเขาจึงกยกย่องให้นกคูกเป็นนกบัณฑิตเพราะว่ามีเรื่องเล่าบอกว่าโอเคน่าสนใจครั้งหนึ่งนกคูกกําลังเก็บเสื้อผ้าเข้าของเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านกกระจาพอเห็นนกคู่เก็บเข้าของก็เลยถามบอกว่าูกสี่ไปใสจะไปไหนนกคู่บอกก็อยู่บ็ได้แล้วอยู่ตรงเนี้ย คนชอบมารบกวนนะแล้วเวลาลงรบกวนเนี่ยฉันกุ้มใจทุกทีเลยว่าแล้วนกคู่ก็นั่งลงอ่าลืมไปแล้วลืมไปแล้วนะเที่ยวนี้แข็งแรงกันทุกคนนกคู่บอกว่าคนชอบมารบกวนฉัน เวลาคนเดินผ่านจะเอาก้อนดินก้อนหินมาฝ้างใส่ที่ชั้นอยู่เป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นชั้นอยู่ไม่ได้แล้วชั้นต้องเปลี่ยนที่อยู่พอพูดแค่นั้นเองนกกระจากก็ยืนขึ้น <c oughs> แล้วก็บอกกับนกพูกบอกว่า <c oughs> เพื่อน attention please <c oughs> เพื่อนฟังให้ดีนะ <c oughs> เพื่อนไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่หรอกเพื่อนแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นเอง นกผูกก็งงวัดอยู่มีนหมายความว่าอย่างไรที่ให้เปลี่ยนพฤติกรรมนกกระจาบบอกว่าที่คนเขาเอาก้อนหินก้ <c oughs> อนดินมาว้างมาฟางใส่อยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวเสียงยูอยู่ลองหุบปากสิยูอย่าพูดคือคนบางคนเนี่ยเขาเปรียบเสมือนผีจอบปากอะ่ะพอเจอหน้าใครก็พูดพูดพูดพูดพู ด, พ ด, พด เขาแม้ให้พูดก็ยังพูดพูดพูดพูดพูดนั่งภาวนาก็ยังพูดพูดพูดพูดพูดกันงคืนนอนยังละเมอพูดพูดพูดพูดพูดตลอดเวลาเลยอ่เพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เขาเอาก้อนดินก้อนหินมาฝั่งใส่อยู่เอาก้อนหินก้อนดินมาว้่งใส่อยู่เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเขากลัวเสียงอยู่อยู่พูดมากอยู่ลงผุบปากพอบอกปั๊บ นกพูกก็พ ย, ยักหน้า i อซีอซหลังจากนั้นพอดีเห็นคนเดินมาปั๊บปกติพอคนเดินมานกพูก็หุบหุบคนตกใจเที่ยว น, นี้นกพูกเงียบกกิบเลยไม่พูดอะไรนั่งเงียบกกิบเลยนกพูกนั่งเงียบกริกกงงบรตาแววลองดู คนก็เดินเดินเดินแล้วก็เดินผ่านไปเพราะคนเดินผ่านไปไม่มีอะไรนกพูกลุกขึ้นแล้วก็บอกโยโอเคเลยวิธีของอยู่ยอดเยี่ยมมากได้ผลจากหลังจากนั้นนกพูกก็ไม่ต้องย้ายที่อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่นกพุกอยู่อย่างสุขสบายเป็นเพราะว่านกพูกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนพฤติกรร ม, เ, รรมเพราะฉะนั้นเพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กๆบางคนเนี่ย บางทีตอนพ่อแม่แต่งงานกันพ่อแม่อยู่กันอย่างสุขสบายมากแต่พอมีลูกขึ้นมาไม่นานแค่นั้นเองแม่ผมงอกหมดเลยเพราะลูกทำให้แม่เครียดพ่อแม่บางคนโชคดีมากได้ลูกมาปั๊บเนี่ยเหมือนกับได้คู่บรารมีลูกมาสร้างกําลังใจให้พ่อแม่ทําให้พ่อแม่มีความสุขกายสุขใจแต่ลูกบางคนกลายเป็นคู่กรณีคู่กรณี มีปัญหากับพ่อแม่อยู่เป็นประจำแล้วพ่อแม่เมื่อก่อนอยู่สุขสบายตอนหลังท่านเริ่มทะเลาะกันเป็นพ่อลูกโชคดีลูกที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุดังๆให้พวกเราด้วยจะ้ะทีนี้มาดูลักษณะของบัณฑิตลักษณะของบัณฑิตก็คือท่านบอกว่าคนจะเป็นบัณฑิตได้ต้องหูตั้งเป็นนักฟังที่ดีเห็นไหมหูตั้งเลยแล้วก็ตาโต ดูอย่างลึกซึ้งดูอย่างสังเกต observation is the best teacher การสังเกตเป็นครูที่ดีที่สุดต้องรู้จักสังเกตแล้วก็ปากแหลมคมพูดจาเฉียบคมไม่ไร้สาระไม่เพอเจอพระอาจารย์ใช้เวลามาต้องเยอะแล้วพวกเรายังนั่งกันตัวตรงได้ตรงนี้สุดยอดมากเลยยังไม่มีใครคุยกันด้วยสะอาดสะอาด สว่างสงบสง่างามเดี๋ยวคุณครูช่วยดูนิดหนึ่งเพราะว่าเตรียมรางวัลพิเศษมาสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้สูงมากอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้บอกว่าลักษณะของบัณฑิตคือหูตัง้งตาโตปากแหลมคมพูดจาไ ม, ไม่เพอรเจอไม่ไร้สาระพูดจาเฉียบคม แล้วหัวหมุนได้รอบกระดูกคอของนกพูกมันมีอยู่ทั้งหมด1ิบสี่ข้อสามารถหมุนได้สองอเจ็ดสิบองศาเวลาเขาจะหันไปดูข้างหลังตัวเขาจะอยู่ป๊บแบบนี้ตัวไม่ต้องหมุนเลยจ้ะหมุนแต่คอปุ๊บๆๆ๊บปุ๊บปุ๊บปร๊บปุ๊บุ น, ป น, นไปข้างุลัปได้ยุ่งนะเนีุยบปนะ เพราะฉะนั้นของนกพูกเนี่ยกระดูกคอเขา14ข้อเวลาหมุน270อเจองศาก็าทำได้จะเขาจึงเปรียบนกพูกเป็นนกบันดิตดีเห็นไหมได้รับปริญญาของเราตอนนี้มาฝึกเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราก็จะได้รับปริญญาจากการบวชสมมาเนบวชแม่ชีน้อยกันนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู เมื่อกี้พระอาจารย์บอกบางคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่บารมีแก่คุณพ่อคุณแม่ดูภาพนี้พึบเด็กหนุ่มคนนี้หลังจากที่จบการศึกษาพอเริ่มทำงานแทนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวเขากลับมาดูแลแม่ตลอดแล้วก็ล้างเท้าให้แม่<อ>ก่อนแม่จะขึ้นเตียงนอนปั๊บเขาจะเอาน้ำไปถึงกับ ล้างเท้าแล้วก็เอาโลชั่นทาเพราะว่าบางทีเท้าแม่แตกหมดแม่ทำงานหนักดูแลลูกมาตลอดแล้วเขาก็นึกถึงตอนเล็กๆที่แม่อาบน้ำให้เขาดูแลเขาเพราะฉะนั้นความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีภาพนี้พระจานทร์ชอบมากๆเลยว่าเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกดีมา ก, กวันนั้นมันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งพอดจบปริญญาได้เกลียดนิยมด้วยไปถึงปับ๊บหอบแฟ้มปริญญาไปแล้วก็ไปสมัครงานที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งวันนั้นเท่าแก่เจ้าของบริษัทมารับสัมภาษณ์เองพอเห็นไอ้หนุ่มดูแฟ้มประวัติปับ๊บโอ้โหเกลียดนิยมด้วยไอ้หนุ่มพอ ส่งแฟ้มประวัติไปเรียบร้อยปั๊บก็นั่ง <c oughs> ตั้งตัวตรงคอยรับฟังว่าเท่าแก่จะว่ายอย่างไรเท่าแก่เงยหน้าแล้วก็ถามบอกว่านุม่มสมัยเรียนเนี่ยทำงานด้วยเรียนด้วยใช่ไหมนุ่มบอกว่าอบผมเรียนอย่างเดียวแม่บอกไม่ต้องทำงานขอให้ตั้งใจเรียนเท่านั้นเอง เขาแก่ก็เลยถามบอกว่าหนุม่มเธอเคยล้างเท้าให้แม่ไหมห <c oughs> นุ่มบอกว่าไม่เคยครับเ <c oughs> ขาบอกไม่เคยครับแค่นั้นเองเขาแก่บอกว่ากลับบ้านได้ที่นี่ไม่ไม่รับคนที่ไม่เคยล้างเท้าให้แม่เจ้าหนุ่มคนนั้นงงมากเลยเฮ้ยบริษัทอะไรวะ บ้าๆ บ, บ อ, บ อ, บอแบบนี้ก็มีด้วยมันไปเกี่ยวอะไรกับล้างเท้าแม่วันนั้นกลับไปบ้านอารมณ์เสียมากไม่ใช่หนุ่มคนนี้เจ้าหนุ่มคนนั้นพอกลับไปถึงปับ๊บแม่เห็นหน้าลูกถามเป็นอะไรอะลูกบอกวันนี้ไปบริษัทใหญ่เนี่ยไม่รู้บ้าอะไรก็ไม่ทราบผมอุตส่าห์เอาแฟ้มประวัติไปให้ ไม่ได้ถามอะไรผมมากเลยได้แต่ถามว่าเคยล้างเท้าให้แม่ไหมผมบอกว่าไม่เคยแก่ไล่ผมกลับเลยบอกที่นี่ไม่รับทำไมอ่ะมันไปเกี่ยวอะไรด้วยกับล้างเท้าแม่ว่าแล้วก็เดินตึ้งตึงตึงตง ต, งตงึขึ้นชั้นบนแม่รู้เลยว่าลูกอารมณ์ไม่ดีพอทราบว่าลูกอารมณ์ไม่ดีแม่จำได้ว่าทุกครั้งที่ลูกอารมณ์ไม่ดีเนี่ยแม่ชอบลูกชอบกินส้มแม่ก็เลยรีบไปหาส้มมา ออกมาเสร็จปั๊บที่ขันส้มมันอยู่ชั้นบนในห้องครัวแม่ก็เลยปีนเก้าอี้ขึ้นไปหยิบ ป, ปีนขึ้นไปปั๊บปรากฏว่าแม่เริ่มอายุมากแล้วขาไม่ค่อยแข็งแรงทำงานมาตลอดหลงโคลมลงมาพกโคลมลงมาลูกได้ยินตกใจรีบวิ่งลงมาดูาวิ่งลงมาเห็นแม่นอนอยู่เอามือกุมขา ลูกถามแม่เป็นไรแม่เป็นไรแม่บอกมาไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรลูกเห็นส้มกลิ้งอยู่รู้ทันทีเลยทุกครั้งเวลาเราอารมณ์ไม่ดีแม่จะคันน้ําส้มให้เราตลอดนี่แสดงว่าแม่กําลังจะคันน้ําส้มให้เราก็เลยรีบเข้าไปถึงปั๊บประคองแม่แม่ก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่พอประคองปับแม่เดินไม่ได้ลูกก็เลยอุ้มแม่ไปแล้วก็ไปวะเอาเอาแม่ไปนั่งที่โซฟาเสร็จปั๊บ เห็นตรงขาเริ่มที่จะ่วมขึ้นมานิดๆลูกก็เลยไปจับมันร้อนๆแล้วอะ่ะอักเสกพอจับปับ๊บที่ซนเท้าแม่สากมากเลยแล้วก็พอจับแม่ก็มาถึงปับ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแม่เอื้อมมือมามือสากหมดเลยเพราะว่าแม่รับจ้างสักผ้าด้วยทำทุกอย่างเพื่อลูกรุยงานทุกอย่างเด็กน้อยเรียนอย่างเดียว จนกระทั่งจบปริญญาไม่เคยช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรเลยได้แต่เรียนแต่ไม่เคยช่วยพอจับเท้าแม่แค่นั้นเองน้ำตาไหลเลยแม่ทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอที่ส่งเราเรียนเนี่ยไปถึงปับ๊บแกก็เลยไปเอาผ้ามาถึงมาเช็ดเท้าแล้วก็ประครบประครบเท้าให้เสร็จปั๊บก็เอาโลชั่นมาทานวดเท้าแม่ พอนวดเท้าให้แม่เสร็จเรียบร้อยปั๊บน้ำตาเกล่ไหลาพาก ค, คืนนั้นทั้งคืนมีความรู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่เก็บประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ที่ช่วยเหลือมาตลอดวันลุงขึ้นแก่กลับไปที่บริษัทเก่าพอกลับไปถึงปั๊บเจ้าแก่เห็นหนะ้าอ่ะว่าไง ผมผมไม่ไม่ได้มาสมัครงานนะครับแต่ผมกลับมาขอบคุณเท่าแก่ที่บอกให้ผมไปล้างเท้าแม่ถ้าเท่าแก่ไม่พูดเรื่องนี้ผมคงไม่เกิดจิตสำนึกผมไม่ได้มาสมัครงานผมขอบคุณเท่าแก่แค่นั้นเองเท่าแก่บอกว่าพรุ่งนี้ลื้อมาทำงานได้รับเข้าทำงานเลยเพราะฉะนั้นใครอยากประสบความสาเร็จในชีวิตกลับไปเป็นล้างเท้าให้คุณพ่อเป็นล้างเท้าให้คุณแม่นะ แล้วก็เอาโลชั่นนวดเลยจ้ะเสร็จปับ๊บเป็นไปได้ทุกวันเวละตื่นนอนอย่าทำร้ายหัวใจคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนตื่นยากมากปลุกยังไงก็ไม่ลุกลากจากที่นอนลงมาแล้วอะลงจากที่นอนมาแล้วพอแม่ออกไปกลับมามันหลับอยู่ข้างเตียงนั่นแหละนะ โชคดีพวกเด็กนิสัยแบบนั้นไม่มีอยู่ในกลุ่มนี้เลยสาธุให้พวกเราอีกครั้งหนึ่ง<า>ถ้ามีเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยของเขาแล้วสาธุให้เขาอีกครั้งหนึ่งด้วยจ้าจตกลงพวกเราเกิดมาชาตินี้เกิดมาเป็นคู่บา ร, รมีหรือคู่กรณี<า>คู่บา ร, รมีสาธุดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วย อาจารย์ขอแสดงความยินดีแทนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราด้วยมาดูอันนี้พึบดูให้ดีแอนแอนแอนพลึบพลึบนี่จงทําตนให้เป็นของขวัญแด่คนรอบข้าง Make yourself as a gift to people around you Make yourself as a gift to p e เ p l e around you. เกิดมาเพื่อเป็นของขวัญแต่กคนรอบข้างเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็นบารมีของพ่อแม่เป็นบารมีกับทุกคนเป็นของขวัญกับ ท, กทุกคนก็คือต้องรู้จักในการที่จะทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ดีท ำ, ท, ดทำอย่างไงเป็นหนึ่งเป็นลูกที่ดีของสะอาดสะอาด สะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามสุดยอดเลยไปใช้มาเกือบชั่วโมงแล้วพวกเรายังคุมตัวเองได้สาธุดังๆให้เพื่อนๆเราด้วยจ้าสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยจ้าอ่ะดูภาพนี้นิดหนึ่ง การทีาทำตัวให้เป็นของขวัญก็คือเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญเด็กคนรอบข้างคนรอบข้างเป็นใครบ้างก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์<ม>เพื่อนฝูงนะเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วช่วยเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ใครเป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป็นสิทธิ์ที่ดีของคุณครูและเป็นคุณครูที่ดีของสิทธิ์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและก็เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาะสะอาดสวา่างสงบสง่างามทีนี้ลูกที่ดีเป็นยังไงสิทธิ์ที่ดีเป็นไงพลเมืองที่ดีเป็นไงพระอาจารย์ฝาก5ดีของหลวงพ่อปัญญาไว้เลยจะ้ะถ้าได้ยินพวกเราจะลืมได้เห็นจะจําได้ทําจะเข้าใจพระอาจารย์เป็นเรียนภาษาใบมาฟังให้ดีนะ แล้วภาษาใบ้เนี่ยมันช่วยฝึกสมองสองด้านภาษาใบยมันช่วยฝึกสมองสองด้านเวลาเราพูดแล้วเราทำมือประกอบด้วยแล้วพอาจารย์ไปคุยกับหมอสมองตอนที่ไปอยู่ที่เดนมาร์กคุณหมอบอกว่าเด็กคนไหนสามารถพูดได้เกินสามภาษาเด็กคนนั้นสมองสองด้านมันจะช่วยกันทำงาน แล้วเวลามีปัญหาปั๊บสมองด้านซ้ายมันทำไม่ได้สมองด้านขวามันช่วยสมองด้านขวาทำไม่ได้สมองด้านซ้ายมันช่วยวันนี้พระอาจารย์อยากให้พวกเรามีสมองทั้งสองด้านแข็งแรงเพราะฉะนั้นลองมาฝึกดูเอามือชี้ที่หัวว่าตามว่าตามคิดดีพูดดีฟังให้ดีก่อนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเย ว, เย ว, เยวเออเวลาพูดเนี่ยใช้หมุน ถ้าชี้เฉยๆเป็นปากถ้าหมุนเป็นพูดถ้าขยับแบบนี้เป็นบนถ้าเอามือป้องด้วยนินทาถ้าแบบนี้โง่โง่อันนี้เป็นภาษาใบ้เอาใหม่นะถ้าชี้ตรงนี้คิดถ้าชี้ที่ปากนี่ปากถ้าหมุนพูดถ้าขยับเร็วๆแบบนี้บนถ้าเอามือป้องด้วยนินทาถ้าแบบนี้โง่เลยแหละ เวลามีปัญหากับเพื่อนๆอย่าไปด่าอย่าไปว่าทำมืออย่างนี้ก็พอเวลามีปัญหากับแม่อย่าไปบ่นอย่าไปว่าทำมืออย่างนี้ก็พอคือคือคือเราโง่ไงเราโง่เราไม่สามารถทำให้แม่เข้าใจเราได้สะอาดสว่างสงบสง่างามวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกสามภาษากันว่าตามที่ราประโยคคิดดีพูดดี ทําดีพบคนดีไปสถานที่ดี Think good Speak good Do good Have good friends Go to good place Good ดี Wow ดี Head ดี คบหมูดีไปมองดีเอาเอาใหม่ภาษาลาวคืดดีว้าวดีเฮ็ดดีคบหมูดีไปมองดีว่าเองที่หนึ่งสองสามคืดดีว้าวดีเฮ็ด ดีคบหมูดีไปมองดีงภาษาอางังกฤษ go ดี good ดีดีดีดีดี ชีวิตก็จะมีแต่ดีกับดีเท่านั้นเองสาธุดังๆให้พวกเราด้วยทีนี้ภาษาใบมันเป็นประโยชน์อย่างไรพระจารย์ไปที่เยอมันเมื่อปี2533ไปกับญาติโยมปรากฏว่าโยมนอนไม่หลับโยมเขาตามจากอเมริกามาแล้วก็บินไปเยอมันด้วยคนเยอมันไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาเยอมันไม่มีใครซื้อยานอนหลับได้ มีโยมคนหนึ่งไม่รู้ภาษาด้วยอ่านหนังสือก็ไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นแต่พอเข้าไปถึงร้านปับ๊บเขาซื้อยานอนหลับได้เขาใช้ภาษาอะไรทราบไหมไ<ป>ภาษาใบเขาทํำยังไงไหนลองทำให้ดูสินี่นี่เขาทําอย่างนี้เขาทำเอออย่างเงี้ยได้เลยยานอนหลับแต่ถ้าแล้วก็อันนี้ตายนะอันนี้ตายไม่เอานะโอเคพอทําปุ๊บ เขาได้ยาทันทีเลยทุกคนทึ่งมากบอกโอ้โหตกลงภาษาใบ้นี่สุดยอดอ่ะปุดฉาโอ้โหใช้ได้ไว้ยังยอดเยี่ยมอยู่ปุดฉาเวลาคนเป็นใบไปซื้อหวีจะต้องทำยังไงหนึ่งสองสามแอะแอแอะได้หวีทันทีปุดฉาคนตาบอดไปซื้อแว่นทำไง ตาบอดพูดได้ฮัโลโหลจ้าก็ปากเป็นข้อคิดเมื่อกี้พระอาจารย์ถามพระอาจารย์เล่าเรื่องน้องใบ้แล้วมาถามเรื่องน้องบอดแต่ของเราลืมไปเราไปเอาเอาเอา เ, อาเอาน้องใบ้มาตอบแทนก็เลยอื้ออื้อออื้ อ, อ, อใหญ่เลยนะตรงนี้ปากให้ดีเวลาถามอะไรอย่าหลงประเด็น แล้วก็ฟังให้ดีสะอาดจะจบแล้วจะจบเดี๋ยวจะเบรกละสะอาดจะดูความพร้อมเพรียงเพราะเดี๋ยวจะแจกหนังสือกันทุกๆรูปเลยวันนี้น่ารักมากสะอาดสะอาดสวา่างสงบสง่างามจ้ะเดี๋ยวเล่มนี้ พระอาจารย์จะแจกทุกรูปแล้วก็ไปเขียนว่าวันนี้ฟังอะไรกันไปบ้างแล้วแค่นั้นไม่พอเดี๋ยวกลับเข้ามาตอนนี้กี่โมงแล้วเอยใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วสิบโมงห้านาทีแล้วต้องเบรกเข้าห้องน้ํากันใช่ไหมหรือว่าไงยังไม่ต้องดือถ้างั้นเดี๋ยวสีตรงเนี้ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะแจกแล้วก็ฮะไม่มีเบรกเลยใช่ไหม รุ่นนี้สุดยอดมากท่านอาจารย์มีความเชื่อมั่นว่าพวกเราควบคุมตัวเองได้สูงบอกว่าแม้ไม่มีเบรกก็จะไม่มีปัญหาอะไรสาธุดังๆให้พวกเราด้วยเก่งกันจริงๆนิดเดียวจ้ะพระอาจารย์จะสรุปตรงนี้ฟังให้ดีนะแล้วเดี๋ยวไปจดว่าพระอาจารย์พูดอะไรแล้วเดี๋ยวใครจดมาส่งดูได้ว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆพระอาจารย์แจกพัดพิเศษกันทุกๆรูปเลยเออ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมาจนกระทั่งอายุเริ่มมากแต่สิ่งหนึ่งที่สามีภรรยาคู่นี้ทำอยู่เป็นประจำก็คือการบริหารร่างกายบริหารจนร่างกายเข้มแข็งมีซิกแพคด้วยโอ้นะเมื่อกี้นี้เห็นยามที่เนี่ยเลารีบเวทเขามีซิคแพคด้วยแต่ว่าอุดฉา ถามว่ากินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนจะมีซิกแพกได้ไห ม, ม<า>ไม่ได้มีบิกบบ๊กแพ็บิ๊กแพกกลมบ้องเลยได้มาแพกเดียวแหละสามีภรรยาคู่นี้ ส, สะอาดสะอาดาจะจบแล้วจะจบแล้วสะอาดอย่าตกนะสวามสงบสง่างามสามี ภรรยาคู่นี้อยู่กันจนอายุห0สิปลดเกษียณพอปลดเกษียณปับ๊บเขาก็ยังดูแล ร, ร่างกายแต่ว่าการบริหารร่างกายไม่ใช่ต้องเข้าฟิตเนสอย่างเดียวขุดดินก็ได้ซิกแพกด้วยทำสวนครัวก็ได้วันนั้นเขาสามีภรรยาขับรถไปเที่ยวกันพักผ่อนและทำงานมาเยอะพอถึงเวลาขับเข้าปัมป๊มน้ำมันไปเติมน้ามันเด็กพม่ามาเติมน้ามันให้ พอเติมน้ามันเสร็จก็มาดูหน้าสามีภรรยาแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่ายังหน้าอ่องทั้งคู่เลยสองคนนี้ยิ้มเลยบอกอ๋อเราดูแลสุขภาพดีมีซิกแพคด้วยแล้วก็เปิดซิกแพคให้ดูเด็กปัํางงเอ๊ะมันเป็นยุ่งอะไรด้วยไม่เข้าใจก็เลยพูดขึ้นมาอีกบอกว่ายังหน้าอ่องทั้งคู่เลยจะเติมลมมะถ้าไม่เติมเดี๋ยวจะไปทําอย่างอื่นต่ออ่ะ ยังหน้าอองทั้งคู่เลยจะเติมลมมะถ้าไม่เติมเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่อพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้เพียงแต่อยากจะฝากข้อคิดว่าเด็กพมา่าไม่เข้าใจสามีภรรยาคู่นี้สามีภรรยาคู่นี้ก็ไม่เข้าใจเด็กพมา่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้ได้แต่อยู่ในโลกส่วนตัวเวลาฟังใครไม่ได้เปิดใจฟังไงเขานึกแต่ว่าเขาแข็งแรงเขามีซิกแพค พอเด็กพม่าบอกยังหน้าอ่องเขาก็พูดไม่ค่อยชักเท่าไหร่อ่ะนะแต่ว่าพม่าคนลาวคนลาวพูดไทยได้ไหมได้แล้วคนพม่าพูดไทยได้ไหมได้แล้วคนไทยพูดพม่าได้ไหมได้คนไทยพูดภาษาพม่าได้ไหมได้ไหนใครพูดภาษาพม่ารู้เรื่องสามารถเป็นไกด์พาไปเที่ยวพม่าได้ไม่มี ฟังให้ดีสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามสามีภรรยาไม่เข้าใจเด็กพม่าเพราะอยู่แต่ในโลกส่วนตัวไม่ได้เปิดใจฟังส่วนเด็กพม่า ก, ก็ไม่เข้าใจสามีภรรยาคู่นี้เพราะว่าไม่ได้เปิดใจฟังเขามีในหัวของเขาก็คือหน้าที่ของเขาคือเช็ดกัะยกรถ เติมน้ำมันแล้วก็เติมลมแค่นั้นเองทีนี้การที่เราจะฟังคนรู้เรื่องเนี่ยต้องเปิดใจฟังกันพอเห็นคุณแม่อย่างเช่นตอนเช้าคุณแม่ไปปลุกแล้วไม่ยอมลุกเนี่ยคุณแม่ก็จะพูดบอกว่าเป็นไงจะนอนกินบ้านกินเมืองหรือยังไงแสดงว่าตอนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างเริ่มลมบ่อจอยแล้วเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เปิดใจฟังกันก็ถ้างั้น ถ้าไม่เบรกเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกี่โมงสิบโมงครึ่งหรือว่าสิบโมงครึ่งใช่ไหก็จะระบายสีกันเลยไหมหรือว่าไงอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปแล้วไปจดบันทึกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราเข้ามามันจะมีการระบายสีภาพในนี้ก็ตอนนี้แจกกันทุกๆรูปเลยก็ได้อะพระจานย์เตรียมมาพอสำหรับทุกๆรูปเลย แต่รู้สึกมีบางองค์ไม่อยากจะได้เพราะว่าเห็นก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต้องแจกก็ได้ใครที่ฟุบไม่ต้องเอาก็ได้ไม่เป็นไรฟังให้ดีนะเดี๋ยวเอาไปแล้วบันทึกที่พระอาจารย์พูดวันนี้แล้วก็ใครอยากระบายสีฟังให้ดีอุจฉาอุจฉาพร้อมหรื อ, อยังถ้าพร้อมแล้ว โอ้ถ้าสีสงสัยต้องเป็นดินสอสีแน่เลยจ้ ะ, จะเดี๋ยวใครอยากจะระบายสีพระอาจารย์อนุญาตให้ระบายสีเพียงแค่หน้าเดียวมันเป็นภาพข อ, ขอเล่มหนึ่งครับขอหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวจ้ะอ่ะลูกส่งไปข้างหลังได้จ้ะเป็นดินสอสี ประกาศโปรดทราบปราจานขอให้ระบายสีเพียงแค่หน้าเดียวนะแล้วก็มาอธิบายให้ป้าจา์ฟังว่าทำไมจึงระบายสีหน้านั้นเพราะอะไรจึงระบายตรงนั้นชอบภาพหรือว่าชอบคติธรรมด้านนั้นเปิดหาคติธรรมที่เราชอบก่อนก็ได้แล้ระบายสีที่หน้านั้นภาพทุกภาพ ยังไม่ได้ลงสีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงสีกันเองได้สีอยู่ตรงข้างหน้าตอนนี้ถ้าใครอยากจะบันทึกบันทึกก่อนเลยก็ได้ว่าพูดอะไรพอบันทึกปับ๊บแล้วก็มาหยิบสีตรงนี้ได้จากอนุญาตเลยจากช่วงนี้สาหรับครูบาอาจารย์และก็คุณแม่ชีที่ดูแลลูกเนรอาตมาเตรียมแม่ชีดูแลแม่ชีน้อยอาตมาเตรียมปฏิทินมานะเออ อาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับผมถวายทุกรูครับปฏิทินปฏิทินนี้ทําจากชาญอ้อยไม่ตัดต้นไม้แม้แต่เพียงต้นเดียวลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เผื่อเด็กๆอยากจะระบายสีเผื่อเขาต้องการดูไอเดียเอาไปถวายแม่ชีเอ๊ะเอามาร้อยไม่น่าขาดตรงนี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าขาดจ้ะลูกเนรกับแม่ชีมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย ถ้าไงเดข อ, อจ้ะใครยังไม่ได้คะลูกเนออ่านลูกเนนยังไม่ได้เอามอบให้ลูกเนรเ <c oughs> อ่อเปิดดูลองอ่านคติธรรมนะธรรมะตรงไหนที่เราชอบแล้วก็ระบายสีภาพนั้นไปนะ <c oughs> สะอาดสะอาด Oh, ยอดเยี่ยมมากสะอาดสะอาดมีไม่ชี่เมื่อกี้ไม่ชี่น้อยองค์หนึ่งเก่งมากพอพระอาจารย์บอกว่าสะอาดปั๊บรีบปลุกเขาทันทีไม่ชีน้อยมารับรางวัลพิเศษก่อนเลยจ่าอ่าเรือ่อสีดียวลาบานยังไม่ไเรื่องสรื่อเสีเดียวลาบานแบเลยสะอาดอะสะอาดสะอาดสว่างสงบ สง่างามฟังกติกาให้ดีขณะที่พวกเราเขียนบันทึกหรือระบายสีฟังให้ดี <c oughs> ถ้าอาจารย์เป่านกหวีดปั๊บพวกเราต้องวางดินสอดึงเราไม่ใจยาวๆแล้วนั่งเงียบๆดูว่าเราสามารถทำได้ไหมอาจารย์ต้องการที่จะให้เราเห็นความรู้สึกของตัวเอง หล so. eh. ักปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เพลินในเวทนาทั้งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะเริ่มแล้วนะวางดินสอหยุดนิ่งๆเออทำแบบเนี้ยฟังให้ดีนะถ้าไม่วางก็ไม่เป็นไรสมมุติกำลังเดินกำลังกำลังเดินเสร็จปั๊บพอพระอาจารย์ เปานวีดค้างเลยจากค้างอ่ะเป็นหุ่นยนต์นะลองดูนะไม่นานพระอาจารย์ต้องการให้เราเห็นพอค้างปั๊บกลับมาดูจิตตัวเองว่าตอนนี้จิตใจเป็นอย่างไรบ้างเอาใหม่นะเต็มตัวอุยอดเยี่ยมมากลูกเนนนิ่งหมดเลยแม่ชีน้อยก็นิ่งด้วยตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ ทำต่อได้จ้ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะลองไปเรื่อยๆนะดูว่าลู ก, ลกเนรและแม่ชีองค์ไหนที่คุมตัวเองได้ ค้างเลยลูกเนนกําลังเดินค้างนิ่งเลยยอดเยี่ยมไม่ขีน้อยก็ค้างเลยกําลังอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเองคลายออกได้ยอดเยี่ยมมากเลยจ้ะตัวสติพวกเราเก่งมากเลยสติเริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนกันเองได้แค่นั้นไม่เปลี่ยนอนนี้สลับกันเองได้สลับกันเองไปไหนไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนกันเอง ลองดูนะลูกเนรไม่ชีน้อยชอบกติธรรมภาพไหนเปิดอ่านดูก่อนและพอชอบปั๊บ ก, ก็ระบายสีที่หน้านั้นไปค่อยๆจะไม่ต้องรีบจะเอาให้สวยที่สุดเลยเอาให้สวยที่สุดเลยจ้ ะ, ะสมุดบันทึกเล่มนี้จะเป็นอนุสร์ของชีวิตพวกเราในขณะที่ได้มาบวชแล้วก็ในสมุดเล่มนี้ เดี๋ยวใคร อ, อยากจะวาดอะไรใส่ปไปก็ไปไสามารถที่จะวาดกันได้ไ ม, ไม่เอาในนี้ครับแลกกันเองในกลุ่มเปลี่ยนอะแข็งอึ๊บดูจิต ด, ดูดูว่าเป็นไงใจเป็นไงใจเป็นไงตอนนี้ใจอยากจะวาดต่อหรือว่าใจว่าทำไมต้องมาเป่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเสร็จแล้วทำไมไม่ให้ทำต่อ ลูกเนนคุมตัวเองได้ยอดเยี่ยมแม่ชีน้อยก็คุมตัวเองได้ยอดเยี่ยมมากต่อจ้ะสำหรับท่านผู้ปกครองนะอาตมาเตรียมพัดมาแจกทุกทกท่านเดินมารับได้แล้วเดี๋ยวเกิดใครอยากจะวาดอะไรก็ลองวาดกันก่อนก็ได้จ้ะอนุญาต อ๋อสำหรับคุณครูนะพูดไม่เถือกพูดไม่ถูกจะขอเชิญเลยจากคุณครูมาอ่าพัดจะจะมาเอามาสองร้อยกว่าพอจ้ะแต่ว่านังสือไม่ทราบจะนังสือเอามาแค่ร้อยเดียวสมุดบันทึกร้อยเดียวให้แรกกันในกลุ่มคะแนนว า, วางวางเชิญ อ, อ, อน า, านเดีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มาตรงนี้ดิดเดี๋ยวจ่เดี๋ยวให้ดูใหยะ้อให้มานะนยเอออย่าหยิบคนละสองอันนะเพราะจะมามาเผื่อแม่ชีกับเน <ะ S 2> ็นน้อยจริงจริงไม่ได้คิดจะเผื่อยาดโยมเลยแหละตอนแรกอะ <laughs> แต่ว่าเอามาสองร้อกว่าอา่านก็ตั้งใจอยู่จะตั้งใจเอามาแจกกันค้างค้างแข็งเลยโอ้ยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยน่าจะถ่ายรูปไว้ดูนะเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> เออถ้าใครอยากจะระบายสีเพิ่มก็ไม่ว่าไรนะแต่ว่าช่วยเขียนบันทึกอะไรไว้นิดหนึ่งก่อน เดี๋ยวพัดจะแจกตอนช่วงบ่ายนะช่วงพัดจะแจกตอนช่วงบ่ายวันนี้ลูกเนนน่ารักจะคุมตัวเองได้แม่ชีน้อยก็น่ารักมากเลยแม่ชีน้อยจะนิ่งมาก น, าน่าชื่นใจยถ้ามีจริงนะจะลองเลี้ยง<ะ>ถ้ามีเลี้ยงถ้ามีจริงจะเลี้ยงเลยเเถ้ามีจริงไหมไม่ไมถมีแม่ชีมีมากกว่านะครับค<ะ>้าง เก่งมากเลยดูใจด้วยพอปีต์ปับปป๊บดึงลงให้ใจยาวๆแล้วดูใจนิ่งๆใจยิ้มยิ้มเอ่อใครจะระบายสีเพิ่มหน้าอื่นอนุญาตนะอนุญาตจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้มาพูดนิดนึงเอ่อแข็งดูใจ ใจยิ้มยิ้มใจสบายสบายใจสบายสบายอ่ะเดี๋ยวใครจะมาอธิบายว่าทำไมจึงจึงวาดระบายสีหน้านี้เป็นเพราะอะไรนะนิดเดียวจะเดี๋ยวจะได้เบรกกันละตอนนี้โอ้ตอนนี้สิบ โ, โมงสามสิบห้าและขอแค่คนเดียวจ้ะขอแค่คนเดียวมีไหมว่าชอบคติธรรมหน้าไหนยังไง ได้เลยจ่าได้เลยออกมาฮะหน้าไหนก็ได้จ่าหน้าไหนก็ได้อ่าขึ้นมาบนเวทีเลยลูกลูกขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ไม่เดี๋ยวมีไม่ตรงน้นขึ้นมาเลยครับจับไม่เลยครับ นมัสการครูบาอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขอไฟครับนิดเดียวสะอาดสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามยืดอ่ะลูกเนรฟังให้ดีนะเบรกกันก่อนนะค้างอ่ะลูกเนนว่าเลย ชอบคติตามที่ว่าลงศพไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่ไม่มีใครเด็กเกินตายเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทครับสาธุดังๆให้ลูกเนนด้วยจ้าสาธุจากโมทนาเก่งมากเลยจ้คลายได้แล้วจ้าโอ้โหยอดเยี่ยมมากจ้าเดีย๋ยวนี้หมดเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์นี้หมดเลยครับเดี๋ยวจะได้เวลาทานอาหารจะได้ไม่สะดุด นเหมือนได้เจับอ่าสมมเณรเข้าแถวดีๆครับเข้าแถวดีๆอ่าเข้าแถวดีๆครับถ้ายังไม่เข้าแถวไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับอ่าได้ได้ได้อ่าเข้าแถวดีๆครับแล้วเข้าแถวดีๆเอาที่ยังว่าไม่เสร็จวาไปก่อนนะครับพี่ว่าเสร็จแล้วอยู่ครับครับเดี๋ยวค่อยบรรยายครับแล้วแล้วอ้าวเอาอะไรครับครับครับครับ อ้าวเดี๋ยวใครจะพูดอ่ะเอาดินสอมาวางก่อนได้แล้วครับเอาดินสอมาวางแล้วครับปะเบรกเบรกนิดนึงดินสอวางก่อนปรบมือห้าครั้งปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที ปรบให้ดีกว่าเดิมปรบพื้นห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมดึงหูห้าครั้งดึงมันต้องดังติดจึงจ๋งจึง๋งจึ๋งจึ๋งจึ๋งดึงหูห้าครั้งดึงให้ดังกว่านี้ ดึงใหม่อีกทีดึงให้ดีกว่าเดิมสะอาดสะอาดสว่างสงบสง่างามวันนี้พวกเราน่ารักกันมากเลยจ้ะสาธุดังๆให้เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยจ้ะสาธุดังๆให้ตัวเองด้วยจ้ะ ทั้งหมดนั่งแถวตรงปรบทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่เชา้าสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะฝากก็คือห้าดีของหลวงพ่อปัญญาเอามือชี้ที่หัวภาษาไทยหนึ่งสองสคิดดีพูดดีเอาใหม่พร้อมเพียงนิดหนึ่งเดี๋ยวจะจบแล้วตอนนี้กล้องเขาจับอยู่ว่าใครอยากจะได้พัดบ้าง คนไหนไม่ทำเดี๋ยวอาจารย์ช่วยบอกแสดงว่าเขาไม่เอาแค่นั้นเองจะ้ะเต็มตัวสะอาดจัดจัดแถวก่อนจัดแถวก่อนจัดแถวเลยครับจัดแถวจัดแถวอ่ะดินสอดินสอคืนก่อนจะ้ะเดี๋ยวบ่ายให้วาดกันอีกเดี๋ยวบ่ายพระอาจารย์จะแจกพัดแล้วให้วาดลงในพัดด้วยแล้วถ้าน่ารักมากพระอาจารย์เตรียมดินมาจะให้ปั้นพวงกุญแจ ยังไม่ทราบว่าจะทำกันได้ขนาดไหนนะ <Yeah. S 1> ก็เพียงแต่เตรียมไว้เฉยๆถ้าพวกเราให้ความร่วมมือทุกอย่างมันก็จะเร็วขึ้นแค่นั้นเองจะ้ะตอนนี้จัดแถวเลยจะ้ะจัดแถวจัดแถวอ่ะจัดแถวจะคืนดินสอทุกรูปเลยลูกเนนคืนคืนดินสอสีคืนดินส อ, สนนสอเลยครับเดี๋ยวจะได้ไปทานช น, นะฉันพัทหารเพลินกันจะ้ะเดี๋ยวจะไม่ทนัน สะอาดสะอาดสะอาดไม่ค่อยดังเลยสะอาดสว่างสงบสง่างามอ่ะทบทวนนิดหนึ่งเอามือชี้ที่หัวหนึ่งสองสามคิดดีพูดดีทมดีโอตัดเดี๋ยวเดี๋วเตอนนี้ไม่ชีน้อยเรียบร้อยมากมีแต่ลูกเนน สู้ไม่ไหวอายเขานะแพ้ไม่ชีน้อยเนี่ยอายมากเลยสัมเนนนี่คนให้ความเคารพศรัทธากันมากเอาใหม่หนึ่งสองจะดูฟังลูกเนนก่อนว่าลูกเนนเสียงดังขนาดไหนหนึ่งสองสามลูกเนนเฮ็ดทำมือด้วยเอาใหม่หนึ่งสองสามชี้หัว ภาษาอังกฤษสิ่งสปีกดู Have good friends go to good place ภาษาอีสานคือดีว้าวดีเฮ็ดดีคบหมูดีไปมอง โอ้ยอดเยี่ยมแม่ชีน้อยได้ยินแล้วใช่ไหมตอนนี้ดูความเรียบร้อยความพร้อมเพรียงของแม่ชีน้อยหนึ่งสองสามคิดภาษาอังกฤษ speak speak good do good have good friends go to good p ภาษาอีสานคืด ดีว้าวดีเฮ็ดดีคบหมูดีไปมอง<ด>ใครจะว่าภาษาเหนือออกมาว่าแล้วรับรางวัลภาษาเหนือภาษาเหนือเอาภาษาอื่นก็ได้ภาษาจีนอ่ะใครว่าภาษาจีนออกมาภาษาจีนทําไม่ออกอย่าให้คุณครูออกมานะโอมาแล้ว จะมั่วไหมเนี่ยหมดเวลาขอเจริญพรนี่มันเลยครับผมขออการพระอาจารย์เอาภาษาจีนเสียอยากเสียเปล่าเสียคิดแปลว่าอะไรเสียงเ่าหรอพูดแปลว่าอะไรตาหวยเปล่ า, ย, า, ปปล า, า, ลายัางหรอแล้วทำอ่ะอืมเอามาดิเอามาดิเอามาดิ อาจารย์คนนี้เอามาเอาเอามาดิาาสาธุแล้วสาธุสาธุภาษาจีนนะครับอา้าวทำด้วยอ้าวแล้วเฉียง好好好做好ห好做好า ไปเข้าเข้ากลุ่มนะครับเอาสมุดเก็บให้ดีนะครับอันนี้เป็น อ, ษษอนุสรงานบวชของเรานะครับบวชครั้งนี้ถือไว้ดีๆในชีวิตคุณนะอา้าวกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อปล่อยเป็นแถวแล้วกันนะครับไปเข้าที่ก่อนหรือหรือจะให้ตากอาหารฮะไม่รับอาหาร เ, เอา้าวเดี๋ยวถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนรับอาหารแล้วเดินไปนู่นเลยนะครับหา้หาห้า สี่สามสองหนึ่งศอ้าวเงียบแล้วครับเงียบแล้วครับเงียบครับกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนตักอาหารก่อนครับกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนตักอาหารก่อนตักเสร็จแล้วพาไปที่นั่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอไปให้พรที่นู่นเลยนะครับวันนี้ให้ฉันเต็มที่เพราะว่าบ่ายมีกิจกรรมยังไม่นิ่ง ยังไม่นิ่งยังไม่มีแถาไหนนิ่งเลยครับถ้าหยิบหนังสือไปด้วยแล้วหยิบกละมังด้วยมันจะเป็นยังไงวางไว้ข้างๆได้ไหมมันไม่หายหรอเพราะบ่ายเราต้องมาเจออยู่แล้วเนี่วางไว้ข้างๆครับวางไว้ข้างๆวางไว้ข้างๆนะครับอา้าวให้โอกาสอีกครั้งนดียนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เงียบครับเงียบเงบเงบ ไม่มีเสียงนะครับอา้าวกลุ่มเจ็ดลุกเลยครับชา้าๆค่อยๆเดินไปครับถ้าไม่เรียบร้อยเดี๋ยวกลุ่มเจ็กลับมานะนั้นเดินยังไงนะั่นเขาเดินอยู่เนี่ยตักแล้วไปที่นู่นเลยนะครับตักแล้วไปที่นู่นเลยครับอันนี้ยังไม่นิ่งครับอันนั้นยังไม่นิ่งแน่นอนอา้าวกลุ่มที่ิบลุกไปอันนี้ยังไม่นิ่งครับอา้าวกลุ่มเก้าลุกเหลืออีกดูที่ใครจะเป็นกลุ่มสุดท้าย อ่ะกลุ่มสามไปตั้งคุณยังไม่นิ่งอยังไม่นิ่งเดี๋ยวนั่งไปก่อนนั่งก่อนอาชีอาชีทําไม่นิ่งเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งก็จะไปลำบากนะนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งไม่เป็นไรวันนี้มีเวลาเยอะเดี๋ยววันนี้เราปล่อยก่อนตั้งนานอ่ะไปลุบเร็ว น, นั้นยังไม่ได้อ่ะวนโอ้รุบไป เหลืออีกสามแถวนะครับอีกเหลือีกสามแถวอ้าวไปช้าช้านะครับช้าช้านะครับ <c oughs> อ่ะนิมมอนกลุ่มเก้าใ่ะกลุ่มแปดกลุ่มป <c oughs> เรากินบวยทุกทีเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะ <c oughs> มันมันเป็น <c oughs> บางทีเด็กเขาไม่อนิ่งกันนะครับบอกให้นิ่งก็ไม่นิ่งเอาแล้วเราทำไมไม่ช่วยดูในฐานะพี่คนโต ดูหลายรอบมากเลยครับบอกทีไรหันไปอีกทีก็เล่นกันแล้วอย่างนี้ต้องทําไงครับไม่รู้จะทำไงแล้วครับอ้าวกลุ่มหนึ่งลุกเดินดีๆเดินดี ๆ, ๆ, ๆ, ๆคิดว่าคงพอไปทานนู่นหรือฐานนี้อ้าวเนงไปฉันที่นู่นนะครับเนงครับไปฉันที่นู่นฮะแม่ชีเชิญเลยไปฉันที่นู่นครับไปฉันที่นู่น ไปชันที่โน้นครับไปชันที่โน้น